พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าการปฏิบัติธรรมควรมีสัจจะกับตนเองพวกที่มาอยู่ป่า อยู่วัดป่าพกเสื้อๆทั้งหลายแหละเวลาดูในกุติของตัวเองพกมีไฟไฟฟ้านะเปิดไฟพอเปิดไฟอ่านหนังสือทรรมกิจตัวละของตนในห้องอเสร็จแล้วก็ดับไฟดับไฟแล้วก็ น, นอน อพอนอนเข้าไปก็นั่นแ่ะแมลงตัวอีลิ้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเออพวกลิ้นพวกตัวเล็กๆมแมลงนะ่ะมันไม่มีที่ไปแต่มันมืดนะมันก็ลุ้มลงมากัดคนนะนะเนลงมากัดคนอยู่ในห้องเอ๊ะมันมีอะไรวะนะอะพอผมเสิร์ชเนียไม่ได้สังเกตมีอะไรวะกัดมันมีอะไรเออมันอยู่ไม่ได้แล้วจังนี้ รู้สึกของมันมันมีอะไรมันขันไปหมดมันเกิดผิวหนังอะไรขันไปหมดทำไมมันกัดทําทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมองหาก็ไม่เห็นตัวมันเล็กเอมันทำไมมันมีอะไรมันเป็นน้ำเป็นพิษหรือเปล่าอ่าเรือว่าเราไปถูกขนบุ่งหรือเปล่าทำไมเป็นอย่างนี้ขันทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหน้า โดเฉพาะอย่างนี้ยงนอนหลับมันคันหน้าขึ้นมาคันไปหมดแท้เลยพอคันมันคันไปทั้งร่างกายเลยแท้เลอยอเออพราะอะไรเพราะขาดการสังเกตสรุปแล้วก็คือเซอรนะ์นั่นแหละเซอร์กับโง่งมันอยู่ด้วยกันใกล้ใกล้กันเรามาอยู่ป่าเราไปอยู่ต่างถิน่นเราให้สังเกตเวลาเราจุดไฟในห้องน่ะ เวลาเราจะดับไฟในห้องเราต้องไปเปิดไฟนอกห้องซะก่อนอย่างที่หนะลวงพ่อเนะพอดับไฟปุบ๊บเราจะมาจุดไฟตรงนี้อีกอย่างไฟฉายเมื่อกี้เนะี่ยมันลงมาแล้วก็ลมเลยกัดหลวงพ่อเมื่อกี้นะโหดูไม่จืดอขนาดเพียงแป๊บเดียวนะกัดมือกัดหน้าเลยกัดหัวเลยตัวเล็กๆมันลงมันลงมาจากไฟเพราะฉะนั้นเวลา ดับไฟตัวนี้แล้วนะต้องรอไปชั่วระยะหนึ่งใช้ไม้หรือผ้าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยมันจะเวี่งไปสู่ไฟหลอดนั้นอพอไปอยู่ไฟหลอดนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะฉายไฟฉายเถอะมันไปอ ย, อยู่หลอดนั้นแล้ ว, เ, ลวเราจะค่อยเราจะฉายไฟขึ้นมาดูอะไรยังค่อยฉายแต่จะมาฉายเร็วๆไม่ได้มันลมลงมากัดเราเลยจนี่ยนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในห้อง เวลาเราจะพักผ่อนเราจะนอนดับไฟเราจะดับไฟข้างนอก เ, เปิดไฟข้างนอกไว้ก่อนเราเปิดไฟข้างนอกไว้พอเปิดไฟข้างนอกแล้วก็เราก็ดับไฟข้างในพอดับไฟข้างในเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้ า, าผ้าอะไรก็ได้เว <cop fresh. S 1> ียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาไล่มันซะก่อนพอไล่เสร็จแล้ว สี่้านาทีแล้วเราค่อยย่องย่องออกไปข้างนอกเลยมีไฟฉายย่องย่องออกไปกไปปิดไฟตับ๊บเสร็จแล้วเราไม่ต้องใช้ไฟละเราเดินเข้ามาใช้แมพเปิดไฟหน่อยเดียวแมพแล้วก็เดินมาเข้ามาในห้องปิดประตูเกึบนั่นแหละมันจะไม่มีมแมลงลงมากัดเราถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ พวกเราทั้งหลายให้สังเกตดูก็แล้วกันนะตามไม่จริงในกลางคืนนะไม่จุดดีที่สุดสำหรับห้องนอนนะหลวงพ่อไม่จุดนะกลางคืนในห้องนอนถ้าจุดคือจุดข้างนอกมีความจำเป็นจริงยังค่อยจุดออกมาดูข้างนอกประจุดแล้วก็รีบอย่างที่ว่านั่นนะเปิดไฟไว้ในห้องเปิดไฟในห้องน้าไปเลยในห้องนอนนี่นก่อนนะ เวียงไปเวียงมาให้มันออกไปสู่ห้องน้ำซะก่อนแล้วคอยยังคอยปิดห้องน้ำพอเปิดปิดห้องนอนแล้วก็ไปออกห้องน้ำจะได้กับปิดแล้วก็รีบปิดประตูเลยนี่แหละลูกหลานได้ศรัทธาญาติโยมคนมาต่างถิ่นให้สังเกตอันนั้นแหละวิชารอบขอบมันเรียนไม่จบกับวิชาในโลกเนี่ยมันมีมากหลากหลาย บางคนจะถึงจะหนีกลับบ้านก็มีโยอะไรก็อย่างที่ว่านะไม่รู้ตัวอะไรมันทำไมมันคันมันถูกคนบุงแล้วมันแพ้อะไรก็ไม่รู้มาอยู่ที่นี่มันแพ้อะไรแพ้ความเซ่อความโง่ของเราน่ยแหละถ้าเรารู้จักปฏิบัติกับตนเองน่ะนะไม่มีปัญหาเราอยู่เป็นอยู่นักสถานที่ใด้ห้สังเกตให้ฟัง ให้ฟังให้ศึกษามันมีวิชาความรู้เยอะแยะบางทีเราอยู่ในป่าพวกแมลงพึ่งพวกแมลงตัวพึ่งตัวอะไรมีทั้งเยอะตัวต่อตัวแตนแมลงมาเนี่ยเราไม่ใช่จะหยิบจะจับมันทีเดียวไม่ได้แมลงบางตัวเนี่ยระวังตัวเนี่เป็นพิษนะแต่บางตัวก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นไรจับได้แต่บางตัวเราจะไปจับไปหยิบไม่ได้ ต้องระวังถ้าเราไม่รู้นะถ้าไม่รู้เราไปจับนะเระวังนะไปโดนตัวต่อเข้าต่อมันมีหลายชนิดอีกต่างหากนะมันไม่ใช่มีชนิดเดียวตัวเหลืองก็มีตัวดาก็มีด่างๆเป็นข้อๆก็มีมันมีหลายชนิดมแมลงนะแต่ดูดูมแมลงบางตัวเป็นมแมลงที่น่ากลัวนะัดูแต่ไม่มีพิษนะ แต่บางตัวโอ้เป็นแมลงที่น่ารักดูๆแล้วสวยงามมลน่ารักนยะแต่น่ารักก็เถอะไปจับเข้าไปเนะี่ยพอไปโดนมือเข้าเท่านั้นล่ะร้องจากทีเดียวล่วะแมลงอยู่ในป่ากกระมัดระวังอย่างกลางคืนเห็นไมร้องเย๊๊๊จ๊๊ย๊อก๊๊ย๊๊ย๊๊ย๊๊ยนะ๊๊ย๊๊ย๊๊ยม๊ย๊๊ย๊๊ย๊ยพัน๊๊์แต่บางตัวเ๊ย๊๊ยง๊ย ง, ง๊ยง๊ย๊๊ แต่ดูๆแล้วไม่ใช่มันร้องนะไปดูใกล้ๆมันพอไปเห็นมันแล้วมันยกปีกยกปีกสองขานขยับขึ้นขยับลงเอมันก็เหมือนกระสีซอลักษณะอย่างนั้นนะอมันเหมือนกัะสีซอสีไปสีมามันดังแต่มเหมือนกันนะมันไม่ได้ร้องออกจากปากมันปากมันปากเล็กๆมันไปร้องได้ไงแต่มันดูแล้วมันกระพือปีกแล้วมันขยับปีกมัน ทำไมมันดังแรงขนาดนี้ก็ไม่รู้เนละดังโฮขามันโยงๆเจ่ะล่ะมันขยับปีกขยับแต่ละครั้งในดังดังเสียงสาะใสอีกังหักนะนี่แหละสัพรพสัตในโลกไม่รู้มแมลงไหนตัวแมลงไหนเราอยู่ในป่าต้องเรียนรู้ชีวิตของป่านะวันนี้เป็นวันที่ สามสิบมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าข้ามเดือนสี่ปีห้าเจ็ดเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันไหว้พระสวดมนต์ของพวกเราพระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถตอนห้าโมงจบลงไปแล้วพอตกกลางคืนก็สัตายาญาติโยม พระเนนมาร่วมกันไหวพระสวดมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมอย่างที่เคยปฏิบัติมาแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มีความสัตย์จริงกับตนเองความสัตย์จริงตัวนี้แนหะสัตวความสัตจะนี่แหละสัวจวาจาสัจะคือความจริงจังและจริงใจนะควรจะมี ไม่มากก็น้อยความสัจจะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าหนีไปผนวดทรงบวชที่ออกจากเฟียงวังพระ อ, องค์ตั้งสัจจะเลยนะพอหนีออกจากเดินออกจากเียงวังแนละ้วท่านบอกเราจะไม่กลับมาอีกอเราจะเป็นจะตายยังไงเราจะปฏิบัติอย่างอุกฤษยังเด็ดขาดใช้ค้าว่าเนื้อหนังมังสา ถึงจะตายเงิดแท่งยังไงเราก็จะไม่กลับในเมื่อพระองค์ไปนั่งภาวนาในวันเดือน6กเพลวันสุดท้ายวันนั้นพระองค์ก็ตั้งจิตตั้งพระทัยแน่วแนว่าถ้าว่าไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เห็นธรรมจะไม่ลุกเด็ดขาดอันนั้นก็คือสัจจะของพระองค์อีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าข้าไปเจ้า หอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในชีวิตนี้ทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถศีลข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระหรือข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไปตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสุดแท้แต่เราจะมีสัจจะหรือว่าข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวัน ตอดชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ให้ขาดเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทข้าพเจ้านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าจะประกอบคุณนามความดีข้าพเจ้าจะไม่หลงละเริงอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าสํานึกได้แล้วข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้แล้ว อ, อ, อันนี้ก็คือพวกเราต้องมีสัจจะความจริงจังและจริงใจ แต่อย่าไปโกหกตัวเองนะพอทําแล้วหละแหละล้มเหลวนะั้นยิ่งแย่ใจเลยดีกว่าไม่ไม่ตั้งจะดีกว่าถ้าก่อนที่จะตั้งอะไรลงไปเราต้องจริงจังและจริงใจให้มันสําเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้อย่างฝ่ายพระกูเหมือนกันหลวงพ่อก็บอกว่าที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาเราต้องคิดดูให้ดีทบทวนดูให้ดี มองดูโลกมองดูแต่ละคนเพื่อนฝูงญาตพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายมองดูให้ท่วนทีทีท้วนแลวก็มองดูตนเองมองดูให้ชัดเจนเราจะเดินยังไงเราจะอยู่ยังไงเราจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่จิตใจของเรามันตีรวนอยู่เรื่อยรบกวนอยู่เรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่มั่นใจในการเป็นอยู่ของเรา มันกิเลสกามาราคะเข้ามาเหยียบย่ำหัวจิตหัวใจอยู่ตลอดลเวลําเเราจะทํายังไงเนี่แหละจุดเนี่แหละเราต้องคิดตัวให้ดีเรามองดูทบทวนดูแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าเพาเจ้าชีวิตของข้าเพาเจ้าทั้งชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าเพาเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วถึงจะโง่จะฉลาดขี้เกียจมักง่ายอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจะพยายามเดินตามแนวแถวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่กลับหลังมีแต่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นแหมคลายขจิต ใ, ใจมันหนึ่งเดียวจิตใจมันหนึ่งเดียว จิตใจมันเป็นหนึ่งเหมือนกับ น, น้ำไหลลงทางเดียวมันแรงแแนะที่จะปฏิบัติธรรมจุดไหนจะภาวนาอย่างไรใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนเจ้าของเราจะไม่กับสะทานหวั่นไหวเพราะใจของเราเป็นทางเดียวเขาหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวขอใหถึงพระนิพพานสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราคิดทบทวนดูให้ดีแต่ท้งนี้ท้งนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเป็นแนวความคิด อหลวงพ่อทําอย่างนั้นจึงได้พูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยอยู่นสถานที่ใดใจของหลวงพ่อเนี่ยไม่ร้อนไม่ทุกข์ออมองดูถึงข้าวแล้วเหรอถึงข้าวจะตายเลยตายก็ตายแล้ ว, กลวเกิดมาตายเราจะไปอยู่โช่ฟ้าดินสลายได้ยังไงก่อนที่จะตายมันจะเป็นยังไงกตกรรมของข้าวพเจ้าในครั้งพระพุทธองค์แต่ในครั้งพระเจ้าเราก็ได้ศึกษา ตายยังไงมันตายไม่เหมือนกันมรณะาภาพไม่เหมือนกันพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้ก็เถอดจะให้ตายแบบเสมอกันเป็นอย่างเดียวกันได้เหร อ, อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงอันนั้นก็สุดแท้แต่กรรมคือการกระทําของเราในอดีตถ้ากรรมของเราดีก็ออกหมดอายุสังขารไปกระจกไปนี่แต่ถึงยังไงข้าพรเจ้าจะเป็นผู้มุ่งมั่น เป็นผู้ตั้งใจจริงต่อคุณงามความดีต่อคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอย่างไรจะเดินอย่างนั้นเดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอุทิศ ต, ตนต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นอย่างอื่นจบเท่านั้นใจห้องเราก็ไม่ สถานไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์พะเรามีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะก่อนที่จะทำอย่างนั้นก่อนที่จะคิดอย่างนั้นก่อนจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นพวกเราต้องมั่นใจซะก่อนแล้วกอนะเอามากราบต่อพระพุทธปฏิมาเป็นเป็นพยาน แต่พระเจ้าแผ่นดินจะสู้ศึกสงครามท่านยังว่าน้ําเทน้ําทักกีโนโทกลงแผ่นดินเอาแผ่นดินเป็นพยาธิอย่างพระเจ้าพิมพิสารจะถวายวัดป่าเวรุวันก๊อทหลังน้ําลงทักกีโนโทกลงแผ่นดินถวายวัดป่าเวรุวันไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเรา ถวายชีวิตของเร า, เาทั้งชีวิตในการกระทําในการคิดการพูดการกระทํากายว่าจาใจของพวกเราเราก็นั่นเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมาเป็นสกีพยานานั่นแหละถ้าพวกเรามุ่งมั่นมือความตั้งใจอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อมั่นใจอยู่เราอยู่นสถานที่ใดไม่เดือดร้อนไม่กระผลกระวายไม่ทุกข์ใจ อยากจะได้หน้าอยากจะได้ตาอยากจะได้ยศถาบรรดาศักอยากจะได้ลาบยศเสนเสญมันอยู่ปีกนอกทั้งหมดเพราเรามุ่งหวังมักผลนิพพานน่ะมันเหนือกว่าสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกระพี้มันเป็นเปลือกอมันเป็นปุ๋ยของเราเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้นะอันนั้นแหละเป็นอของเลิศประเสริฐที่สุดคือความมุ่งหวังของพวกเรา อยากจะได้หลาบอยากจะได้ยศอยากจะได้ให้คนยกย่องสรเสริญเฉิด ช, ชูบูชาอยากจะได้หน้าอยากจะได้ตาอยากจะเป็นหัวหน้าเขาอยากจะเป็นเป็นที่ยกจ่องเออออกของคนทั้งหลายมันออกไปทางโน้นหมดเพราะเหตุอะไรเพราะใจของเราไม่ได้ยึดไม่ได้มาทางมรรคผลนิพพานเออถ้าเรามุ่งหวังมรรคผลนิพพานแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องจิบจ่อย แต่คนไม่อยากมันได้คนที่ไม่อยากมันได้คนที่อยากกลับหิวโหวยไปอีกอย่างที่หลวงปู่ฟั่นท่านบอกอยากกินหลายได้กินเท่าก้อยอยากกินน้อยได้กินถั่วหัวแม่โป้งคือคนที่อยากกินหลายเยคนอยากมันได้กินเท่านิ้วก้อยเยอยากกินน้อย คือมักสันโดดเอายังไงก็ได้เอาเถอะแต่คนนี้จะได้จะได้ลาบยศชนะชนะเสิร์นเท่าหัวแม่โป่งมันใหญ่ใหญ่กว่านิ้วก้อยสองสามเท่าฮะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้มุ่งหวังทางด้านวัตถุนะด้า น, น, นวัตถุมันจะหลั่งไหลเข้ามาเองเราไม่ต้องหามันหรอกมันหลั่งไหลเข้ามาเองลาบยศสนะเสิร์นแต่ถ้าเราไปวิ่งกระโดดไล่มันจะไหลมันก็ยิ่ง นั่นแหละเป็นที่น่าเกียดของคนทั้งหลายอีกต่างหากเขาเยังไม่ให้อีกต่างหากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมุ่งมั่นหนักแน่นในธรรมอยู่ในธรรมธรรมมะคือห ล, ลักเหตุผลธรรมะคือหลักถูกต้องลำมัคธรรมะคือสว่าขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวไว้เราเดินตามนั้นนี่แหละอันนี้คือวิถีชีวิตการ ดำเนินชีวิตของตัวเองแนวความคิดของตนเองจากนั้นก็หาวิธีการแก้ไขแล้วทนีวิธีแก้ไขก็คือนั่งสมาธิที่นี่นะนั่งสมาธินี่อย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำบอกกล่าวกับพวกเราท่านทั้งหลายมากต่อมากไม่รู้ว่ากี่ครั้งตัวกี่หนนะแต่ว่าในหลวงพ่อเองจะไม่พูดเรื่องสมาธิจะให้ mp 3ของหลวงพ่อพูดแทนนะ ขอให้พวกเรานั่งสมาธิฟังเถอะนะประธานขอให้พวกพระเนรน้องนุ่งทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังเอ็มพีสามของหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อจะแนะแนวในการปฏิบัติแนะแนวในคราวนูน้นก็เหมือนกันแนะแนวในคราวนี้เหมือนกันเพราะหลวงพ่ อ, อมั่นใจที่หลวงพ่อพูดมาแล้วนั้นนะหลวงพ่อมั่นใจ ในการแนะนำบอกกล่าวคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินาะที่นี้นะ